พระพวะกะลินั้นเป็นพระที่บวชเพราะชอบพระพุทธเจ้าอ่ะคือพอเห็นแล้วรักที่สุดเลยคือบวชเพราะอยากเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะว่าต้อบอกว่าถ้าไม่บวชนะเราก็จะไม่ได้ชมพระพระรูปงามของพระผู้มีพระภาคถ้าเราบวชเราก็คอยติดตามคอยดูเพราะฉะนั้นว่างจากกิจอย่างอื่นพระวะกะลินั่งดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แต่ละวันแต่ละวันนี่ก็นั่งดูพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าในช่วงนั้นอินทรีทั้งห้ายังไม่แก่กล้าพอที่จะตรัสรู้รมได้พระองค์ก็ปล่อยทีนี้หลังจากนั้นเห็นว่าอินทรีห้าอินทรีห้าคืออะไรบ้างอ่ะหนึ่งศรัทธาสองวิริยะสสติสี่สมาธิและปัญญาเมื่ออินทรีทั้งห้าท่านบริบูรณ์แล้ว พระองค์ก็เลยกล่าวไม่ให้พร ะ, พระวักกะลิเนี่ยยึดติดกับพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เท่ากับเรียกว่าไล่นี้นะบอกไปเถอะวักกะลิประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยที่มาตามเฝ้าดูกายอันเปลือยเน่านี้ผู้ใดเห็นทำผู้เราผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระวักะลินั้นถูกพระผู้มีพระภาคไล่อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ก็เลยไปทีนี้ก็จะไปไปโดดเหวตาย เพราะว่าเราไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคชีวิตของเราก็ไม่เกิดประโยชน์และตายดีกว่าจะไปโดดเขาตายทีนี้เราในช่วงที่กําลังจะโดดเขานั้นพระผู้มีพระภาคก็แป่งรัศมีแล้วก็แสดงธรรมพระวกกะลิก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละนั่นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็น ถ้าเอาสูงสุดเลยก็คือเห็นโลกุตรธรรมผู้ที่เข้าถึงโลกุตตรธรรมจริงๆนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งมาให้บอกว่าพระผู้มีพระภาคไม่ใช่พระผู้ท่เจ้าแล้วพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเขาก็ไม่กล้าที่จะกล่าวลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่การที่บุคคลผู้ ถึงพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะจริงๆนั้นอะ่ะ <devant S 1> เป็นผู้ที่เห็นธรรมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แสดงโลกุตระธรรมอันนี้แล้วก็ธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมนั้นถือว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจา้าที่ว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ค้นพบทางพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทําทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ผู้ที่ยังไม่ทางอันนี้ถูกปกปิดมานานพระองค์นีเนน้เป็นผู้ที่ค้นพบเป็นผู้ที่ค้นพบอรียมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเมื่อสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็ชื่อว่าพบผู้สร้างประว่าพบผู้บอกหนทางด้วยนั่นะก็จะเข้าถึงพุทธคุณมากขึ้นแล้วก็อีกหลายสูตรนะพระองค์ทรงสอนว่าให้มีธรรมะเป็นเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง คำธรรมะในที่นี้หมายถึงโลกิยาธรรมและโลกุตระธรรมส่วนที่เป็นฝ่ายดีนะต้องเป็นกุศลต้องเป็นฝ่ายดีหมายคือว่าโลกิยธรรมที่เป็นที่พึ่งให้กับเราทั้งหลายได้คืออะไรอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นไปกับกรรมสกตา ป, ปัญญาเป็นต้นไปเพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมสกตาปัญญาดีแล้วก็จะให้ทาน บุคคลผู้มีกรรมสกตาดีแล้วก็จะรักษาศีลผู้มีกรรมสกตาดีแล้วจะอบรมจิตให้ห่างจากบาปจากอากุศลธรรมผู้ที่มีปัญญาดีแล้วหรือมีกรรมสกตาดีแล้วจะเป็นผู้ที่เหนื่อยหน่ายในสังสารทุกข์แล้วก็เจริญด้วยปัศนาเป็นต้นเพื่อให้บรรลุโลกุตตรธรรมภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพพระผู้มีพระภาคมาก แล้วถ้าหากว่าท่านบูชาพระเจดีเนี่ยท่านจะไหว้ทั้งแปดทิศเลยนะอย่างพระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านไปไหว้พระเจดีท่านจะไปตอนเงียบๆตอนที่คนสงัดสงัดท่านกราบของท่านทุกทิศเลยแล้วก็ท่านเจริญพุทธคุณตามระเลึกนึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับคนที่เกิดมาเป็นคนที่มีโรคมากอะเจ็บป่วยเรื้อรังมานานมีคนที่ปรุงยา แล้วก็หายเด็ดขาดจากโรคอันนั้นเลยถามว่าเขาจะนึกถึงบุญคุณของผู้ที่ประกอบยาให้ขนาดไหนผ่ารหัสทั้งหลายผู้หายจากโรคได้สนิทแล้วเป็นผู้ที่เลื่อมใสในคุณของพระผู้มีพระภาคขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในสมัยนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นนะถ้าบรรลุมรรคผลเจนทรถ้าหากว่าเห็นอริยธรรมขนาดไหนก็จะเห็น พระผู้มีพระภาคขนาดนั้นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ชี้ธรรมะเหล่านี้นั่นแหละในพระสูนี้นะที่เมื่อกี้ท่านกล่าวไว้ว่าที่กล่าวไว้หนักสักหน่อยเนี่ยนะนท่านบอกว่าแม่สุนับ้านสุนักจิ้งจอกเป็นต้นก็เห็นพระอริยเจ้าด้วยจกักษุเจนพานชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่เห็นพระอริยะเพราะฉะนั้นการเห็นด้วยจักษุจึงไม่เป็นการเห็น การเห็นด้วยยานะเท่านั้นจึงเป็นการเห็นจนผ่านต้องต้องเห็นด้วยปัญญานะแล้วก็ปัญญาที่จะเห็นธรรมะเหล่านี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่เป็นความรู้ซึ่งต้องต่อได้เห็นธรรมะในหมวดนั้นนะธรรมะหมวดนั้นนั้นต้องต่อต่อไปถามว่าที่สุดแห่งการรู้ธรรมะในศาสนานี้รู้รู้อะไรรู้จบเลยนี่รู้อะไรน่าสนใจตรงคำว่ารู้เท่านั้นต้องต่อได้เนี่ย พ, <จน S 2> พวก <จน S 2> ผมสนใจมากยังไงครับท่านอธิบา<ช>ยานิดนึงครับชเช่น <ๆ S 2> ตัวอย่างความรู้ในเรื่องของพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งที่เราเอามาวิเคราะห์ น, นั้นต้องต่อสุดยอดแล้วธรรมะหมวดนั้นต้องอยังลงอริยสัจได้ถ้าหากว่าในธรรมะหมวดนั้นนั้นไม่สามารถยังลงอริยสัจได้ก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่พระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมะของพระผู้มีพระภาคทั้งหมดมีรถเดียวคือวิมุตติรถ การหลุดพ้นแห่งจิตนะต่อไปเรามาขึ้นเรื่องของสารณคมเมื่อคืนวานก็ได้กล่าวถึงว่าอานสงสงของการถึงไตราสารณคมที่สูงที่สุดนั้นก็คือบรรลุอริยสัจธรรมนั่นแหละการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งการถึงไตราสารณคมและก็ผู้ที่ได้รับผลจากการถึงไตราสารณคมจริงๆอย่างนี้แล้ว จะเป็นผู้ที่พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง น, นั่นแหละอานิสง์ของโลกุตระสรารณคมอีกในหนึ่งนะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งอา น, นิสงผ์ผลแห่งโลกุตระสรารณคมนั้นเพิ่งทราบด้วยสา ม, มารถแห่งการไม่เข้าไปยึดถือสังขารโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ดูก่อนพ่สู่ทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงเข้าไปยึดถือสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นของเที่ยงนั่นแหละพระโสดาบันนั้นท่านจะไม่ยึดถือสังขารโดยความเป็นของเที่ยงอย่างแน่นอนอตรงนี้ที่บอกว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ มาจากบาลีวา่าทิฏฐิสัมปันโนก็เป็นชื่อของพระโสดาบันนั่นเองหรือว่าพระโสดาบันมีหลายชื่อด้วยกั น, นอย่างเช่นทัศนสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนก็เป็นชื่อของพระโสดาบันเห็นอะไรทัศนของท่านท่านเห็นอะไรเห็นพระนิพานนั่นแหละเรียกว่าเห็นพระนิพานเรียกว่าพระโสดาบัน หรืออีกชื่อหนึ่งนะอาคโตอิมังสัต ธ, ธรรมมังผู้มาถึงพระสัตธรรมนี้นะผู้ที่เข้าถึงพระสัตธรรมจริงๆเลยชั้นต้นที่สุดก็เป็นพระโสราบันหรือว่าข้อสนะปัสติธรรมมังอิมังสัตธรรมมังผู้เห็นพระสัตธรรมอยู่นั่นแหละนะเมื่อกี้เนี่ยผู้ถึงพระสัตธรรมผู้เห็นพระสัตธรรม แล้วก็อีกเชื่อหนึ่งก็บอกว่าเสเคณยาเนนสมนาคโตผู้ประกอบพร้อมด้วยญาณของพระเสขะหรือว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาของพระเสขะหรือว่าธรรมโสตสมาปโนผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมะนะพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมะจริงๆเข้าถึงกระแสแห่งอริยสัจจริงๆ อีกชื่อหนึ่งบอกว่าอาริโยนิเพธิกะปัญโยผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลสอันประเสริฐอีกชื่อหนึ่งก็บอกว่าผู้ตั้งอยู่ใกล้ประตูพระนิพพานพระโสดา บ, บันนี่ท่านอยู่ใกล้ประตูพระนิพพานนิพพานหมายความว่ายอย่างไรนิพพานนี่หมายถึงอะไรคะนิพพานมาจากบอกว่านิใช่ไหมนิแปลว่าไม่มี ท่านมาจากบาลีก่อนนะวานะแปลว่าวานะแป ล, ว, า ว, าปลว่าตัณหาวานะนั้นเป็นชื่อของโลภะนี้ตัวนั้นแปลว่าปฏิเสธหรือไม่มีไม่มีตัณหาหรือความสิ้นตัณหานั่นเองนะพระอรหพระโสดาบันเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้ที่จะสิ้นตัณหาที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันก่อนได้กล่าวถึงว่า ตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนอันนะเอาใหม่พระโสดาบันนี่ผู้ที่อยู่ใกล้ประตูพนิพานอนิพานคือความสิ้นตัณหาทีนี้เราก็ตั้งหมายว่าถ้าตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาจะเกิดก็เกิดในสิ่งนั้นอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์เช่นอะไรเป็นที่อาศัยเกิดของตัณหาว่า จักรุหรือตาเป็นที่เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่จักขุหรือที่ตาถามว่าถ้าเราจะละตันหาละที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกบุคคลเมื่อจะละตันหาก็ละที่ตรงนั้นแหละละที่ไหนละที่ตาเพราะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นอาศัยตาถามว่าจะละกิเลสที่เกิดที่อาศัยตาเนี่ยละได้อย่างไร นะเพราะฉะผู้นั้นจะต้องทําปริญญา3ในเรื่องของตาเป็นอย่างดีนะเพราะในชั้นต้นรู้จักจักษุตามความเป็นจริงของจักษุพร้อมทั้งปัจจัยเมื่อรู้จักตาพร้อมทั้งปัจจัยดีแล้วใคร่ครวญโดยอาการ42เรียกว่าตีรณปริญญา พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นต้นในชั้นนี้เริ่มคลายกำหนัดไปเรื่อยๆแล้วนะเริ่มคลายกำหนัดไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อปัญญาสูงมากขึ้นจะตามเห็นจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละความสำคัญหมายว่าเที่ยงได้จนถึงเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของจักสุจักสุเกิดเกิดด้วยอาการเท่าไหร่ ดับดับด้วยอาการเท่าไหร่1 น, นะเพราะอาวิชชาเกิดจากสุจึงเกิดเพราะตันหาเกิดจากสุจึงเกิดเพราะกรรมเกิดจากสุจึงเกิดเพราะอาหารเกิดจากสุจึงเกิดและก็นิพัติลักษณะของจากสุนะคือตัวของเข้าเองเพราะอาศัยปัจจัยเรียกว่าจากสุนั้นเกิด2ลักษณ์โดยปัจจัยกับโดยขณะ ง, งั้นจากสุเกิดโดย2 อ, อย่างนี้ ถามว่าจักรสุจะดับเพราะอะไรจักรสุจึงดับเพราะปัจจัยดับจักรสุจึงดับนั่นแหล ะ, ะเมื่อเห็นมากขึ้นเห็นความเกิดความดับโดยปัจจัยโดยขณะอย่างนี้มากขึ้นก็จะไม่ใส่ใจที่ความเกิดจะใส่ใจที่ความดับอย่างเดียวเขาเรียกว่าพังคานุปัสนาเป็นต้นทีนี้เมื่อเห็นความดับของจักรสุก็จะเห็นถามว่ามีแต่ดับโดยส่วนเดียวถามว่ามีโทษไหมมีโทษ นั่นแหละเขาบอกว่าเมื่อเห็นความดับอย่างเดียวก็เริ่มเห็นภัยของสิ่งนั้นนะคล้ายๆกับว่าเห็นโหไฟบ้านอา่ะเขาเข า, เข า, เขามีคัมภีร์ในเล่าว่าลูกคนที่หนึ่งก็ถูกตัดคอไปแล้วแยลว่าพ่อเป็นโจรเหมือนกันใช่ไหมประพฤติผิดต่อพระราชาพระราชาก็จับคนที่หนึ่งไปฆ่าคนที่สองก็ทําเหมือนกับพี่ชายคนโตนั่ น, หนแหละก็ถูกฆ่าอีกมีลูกอยู่สิบคนนะ เคนเนี่ยที่ผ่านมาถูกตัดคอไปหมดแล้วมีพฤติกรรมเหมือนกันแล้วลูกชายคนสุดท้องเนี่ยก็ทําเจริญรอยตามพี่ชายหมดเลยเพราะฉะนั้นแม่ก็ถึงความวางใจได้พอเห็นทุกเห็นโทษเหมือนกับสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความแตกดักลักษณะนั้นมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นทุกขแล้วก็เริ่มวางใจใน สังขารเมื่อวางใจในสังขารก็เริ่มมีการ พ, พิจารณาทบทวนทุกภพภูมิที่มีจักรสุอันนี้เรายกจักรสุอันเดียวนะท่านภูมิไหนบ้างที่มีจักรสุในภพใดที่มีจักรสุมันก็ต้องมีความเป็นไปลักษณะนี้เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเป็นของที่มีโทษลักษณะเดียวกันทีนี้พอเห็นโทษของจักรสุมากขึ้นก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นที่ดับจักรสุเรียกว่าจะเริ่มหาสันติบท พอเห็นโทษของจากโศมากขึ้นก็จะสแสวงหาความสงบจากจากสุขนั่นแหละทีนี้พอปัญญาของท่านคมกล้า ม, มากขึ้นก็ละคลายความยินดีในจากสุขอันนั้นก็เครียกว่าเห็นพระนิพพานเขาบอกว่าฟังสัมมณ์ให้ดีนะหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเมื่อปัญญาเนี่ยเจริญงอกงามไพบู์บริบูรน ดัน้ตัณหาจะเกิดก็เกิดที่จักรสุอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้พระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่ละเรียกว่าละตัณหาได้ยังไม่เด็ดขาดแต่ก็เือว่าตั้งอยู่ใกล้ความสิ้นตัณหาแล้วเคยได้ยินนะพระขีณาศพพระขีณาศพก็คือเป็นชื่อของผู้ที่ไม่มีตัณหานั่นเองพระอรหันต์อีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ไม่มีโลภะโทสะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาวาว่าตัณหาเกิดที่ไหนนี่นะครับก็ เกิดได้อยอะแยะครับอันนี้ยกหนึ่งตัวอย่างไงครับตัวนี้ยกตัวอย่างนี่นะครับอันที่จริงเนี่ยนะฮะพูดถึงว่าทั้งจิตทั้งเจิตสิกทั้งรูปเนี่ยปัญหาเกิดได้หมดไหมจนันพรถ้าในสุตตันตนายท่านแสดงในลักษณะว่าในอริยศัสตร์บัพพะขึ้นด้วยตาสีจากขูวิญญาณใช่ไหมจากขูสัมผัสเวทนา สัญญาเจตนาสัญญานี้เรียกว่าชื่อว่ารูปประสัญญารูปสัญเจตนารูปวิตกรูปวิจารและก็รูปปัญหาอัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อจะละก็ละอาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในแต่ละบทสามารถที่จะสงเคราะห์ลงอริยสัจได้หมดเลยเคยียนนะจากขุจากขุสมุทยัยจากขุนิโรธ จกักโหนโรธะคามินีปฏิปทาหรือว่ารูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรทะคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นในธรรมะนั้นๆก็สามารถที่จะยังถึงอริยศาสตร์ได้เลยอันแต่ละแห่งแต่ละธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นประตูเพื่อความสิ้นตัณหาถ้าเรารู้จริงในธรรมะเหล่านั้นก็ในทุกศาสตร์นะฮะตัณหาเกิดได้หมด ใช่ไหมฮเกิดได้หมดเลยแต่ว่าจะเริ่มต้นที่โดยมากที่จักรสู่ฤาษีก่อนเร <_' GB> ิ่มต้นที่จักรโ ส, <_' GB> จสเจนพาครับแล้วก็ไล่ไล่ไปเนี่ยนะฮะหมายความว่าทุกทวารเนี่ยนะครับเจนพาถ้าครบผูกทวารก็หมายความว่าทุก ษ, รรษัตริย์เราเป็ น, นาการกําหนดรูวหมดเจนพาอ่าเพราว่าคําว่ากําหนดนั้นมันแปลเป็นชื่อบาลีคืนว่าปริญญาต้องดูว่าปริญญาชั้นไหนด้วยเจนพานพฐานการพิจารณาในเรื่องจักโสนั้นมีการพิจารณาตั้ง หลายระดับด้วยกันอย่างเช่นในเรื่องของสัมปชัญญะบพพาปะเนี่ยกล่าวถึงจักขโเนี่ยแลเหลียวไม่ได้กล่าวแค่วิปัสสนาอย่างเดียวใช่ไหมกล่าวตั้งแต่หนึ่งสาธกะสัมปชัญญจะจะแลเหลียวสองสัพปปยะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะและอาสัมโมหะสัมปชัญญะในอาสัมโมหะสัมปชัญญะนั้นยังพิจารณาโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเป็นตน้นก็สามารถที่จะพิจ า, จารณาจักขโคนั้นโดยความเป็นสัจจะด้วย นั้นพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่เห็นพระนิพพานเพราะตรัสรู้อริยสัจแล้วแต่ว่ายั ง, ย, งยังไม่บรรลุหมดเลยนะเรียกว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นมีอยู่4ครั้งด้วยกันนะโสดาปฏิมัติก็รู้แจ้งอริยสัจ ร, ระดับที่หนึ่งสกะธาคามิมัติเป็นต้นก็เป็นการรู้แจ้งอริยสัจ ต, ตามนิยะที่เคยรู้แล้วจนถึงอรหั ต, ตมัติสละกิเลสได้ทั้งหมดเลยนั่นแหละ อันพระผู้ที่เข้าถึงอริยสัจอย่างนี้แล้วเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละอันเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเข้าใจแนวทางอย่างนี้ดีเราก็สามารถที่จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้นะถ้าหากว่าผู้ที่อ่านบทว่าสัมมาสัมพุทโธบ่อย จรู้ว่าวิธีการขยายเหล่านี้นี่เอามาจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธวะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อะไรแล้วท่านก็จะขยายธรรมะเป็นร้อยๆข้อประมวลลงอริยศาสตว์หมดเลยเช่นชรามรณะชรามรณ ะ, รมรณะสมุทัยชรามารณะนิโรธชรามรณะนิโรธขามินีปฏิปทาเรียกว่าเอาชรามรณะนี่มาสงเคราะห์ดโดยสัจจะสี่ถามว่าชรามรณะ คืออะไรคือวิบากและกรรมชรูปชาามรณะสมุทยัยสมุทัยของชารามรณะคืออะไรนะในท่านบอกว่าตรงๆเลยก็คือชาติเป็นชาติเป็นสมุทัยแห่งชาและมรณานั่นแหละยกชาติถือว่าเป็นสมุทัยที่สำคัญที่สุดแห่งชรามรณะถามว่าไม่มีความสิ้นชาติความสิ้นชาามรณะเรียกว่านิพพาน ข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้ชรามรณะละชาติเรียกว่าแล้วทมนิโรธให้แจ้งชื่อว่ามัดนั่นแหละพระนั้นพระโสดาบันนั้นถ้ามีความแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้แล้วเนี่ยปฏิเสธปัจจัยเลยว่าไม่มีปัจจัยใดเลยที่จะไปทำให้พระโสดาบันนั้นะ ยึดถือสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นของเที่ยงไม่มีเลยในความรู้สึกของท่านเนี่ยไม่มีเลยนั่นแหละทีนี้ไหนนะไม่ความวิปลาดอันนี้ไม่มีเลยในจิตของท่านในเรื่องเทียเเท่ยงเ <c oughs> จนปไม่ไม่ไม่มีความคิดเลยว่าสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเที่ยงไม่มีเลยเื่อเชื่อว่าสังขาร เพราะว่าพระโสดาบันนะท่านจะมีบทธรรมบทหนึ่งว่ายังกินจิสมุทะธรรมมังสะพันทางนิโรตธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ล้วนแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะในลักษณะของคําว่าสังขารก็คือมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่เขาเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นแหล ะ, ะถ้าหากว่าเป็นาศาสนาอื่นก็บอกว่าเกิดขึ้นลอยๆหรือเกิดขึ้นเพราะมี ผู้สร้างแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสังขารเกิดด้วยปัจจัยประชุมพร้อมนะสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นอ่ะเพราะปัจจัยประชุมพร้อมในสังขาร น, นั้นๆจึงมีขึ้นถ้าพูดทั่วไปก็เหมือนกับพัดลมก็อะไรหลายๆตัวมาประชุมพร้อมกันเลยเรียกว่าพัดลมนั่นแหละนาฬิกาก็อาศัยหลายๆอย่างมาประชุมรวมๆกันเลยเรียกว่านาฬิกานั่นแหละ แม้แต่ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดเลยแม้แต่ภายในตัวที่เรียกว่าตัวกายของเราท่านทั้งหลายก็ประชุมด้วยปัจจัยพร้อมที่เรียกว่ากายก็เพราะว่าเป็นที่ประชุมของอวัยวะต่างๆใช่ไหมศีรษะแขนขาเป็นต้นหรือเป็นที่ประชุมแห่งอวัยวะหรือส่วนต่างๆเช่นหคอมนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยประชุมขึ้นอย่างนี้มีเที่ยงไหมไม่อมาตะสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นอมาตะก็คือพระนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าผู้ที่จะเห็นอมาตาธรรมเหล่านั้นจะต้องรู้สังขารธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีเรียกว่าทำรรวิจัยเรื่องนี้อย่างละเอียดนั่นแหละแม่นามธรรมแม้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมผู้ที่รู้จักรูปธรรมจริงๆอย่างไรจะต้องรู้จักนามธรรม อานะเขบอกว่าผู้ที่สมมติคนรู้จักแก้วน้ําใบนี้ดีจะต้องรู้จักน้ําในนี้ด้วยเพราะว่ารูปเป็นที่อาศัยเกิดของนามรูปบางอย่างเป็นอารมมณะปัจจัยของนามรูปบางอย่างเป็นเป็นที่อาศัยเกิดของน้ำรูปบางอย่างเป็นอุปนิสัยของนามเป็นประตูปัิสัยของนามนั่นแหละถ้ารู้รูปจริงๆจะต้องรู้จักนามด้วย แล้วก็บอกว่าพระโสดาบันนะจะพึงเข้ายึดถือสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นสุขเนี่ยไม่มีตรงนี้อัตถคถาท่านอาธิบายว่าหมายถึงการยึดถือโดยความเป็นสุขด้วยอํานาจอัตถถอตทิฏฐินะว่าพระพระอริยเจ้าเนี่ยพระโสดาบันท่านจะไม่ยึดถือสังขารรายๆโดยความสุขแต่หมายถึงยึดถือสังขารเหล่านั้นสุขโดยอํานาจของอัตตะทิฏฐิ ท่านเลขอธิบายว่าคนที่มีอัตตาทิฐิอย่างนี้ว่าตนมีสุขโดยส่วนเดียวไม่มีโรคนะจนกว่าจะตายไปนั่นแหละที่สําคัญว่าอุ้ยเนี่ยร่างกายหรือว่าสังขารเนี่ยมันสุขที่สุดเลยด้วยอนานอาจอัตตาวิปลาดอย่างเงี้ยพระโสดาบันจะไม่มีด้วยว่าพระอริยาสาวกผู้ถูกความเล่าร้อนครอบงามแล้วย่อมเข้าไปยึดถือสังขารบางอย่างไว้โดยความสุข เพื่อระ ง, งับความเล่าร้อนโดยจิตปราศจากทิฐิแต่ท่านก็ยึดถือสังขารสุขเหมือนกันแต่โดยทิฐิขตะวิปยุทธ์นั่นแหละด้วยอำนาจของโลภะสีอย่างอย่างเช่นพระโสราบันทั่วไปก็ยังยินดีในบุตรและภรรยาหรือก็ยังยินดีในครอบครัวนะแต่ก็ไม่ได้สำคัญด้วยอานาจของทิฐิเลย หมายความว่าพระสโสดาบันยังมีสัญญาวิปลาสได้ ย, ยังมีจิ ต, จตวิปลาสได้แต่ไม่มีทิฐิวิปลาสไม่มีทิฏฐิวิปลาสเลยแล้วก็ทิแม้แต่สัญญาวิปลาสด้วยอํานาจอัตต ก, ก็ไม่มีก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะม่ว่ามีสัญญาโดยอัตตาอัตตาวิปลาสไม่มีมีสัญญาโดยจิตตวิปลาสก็เขาวิปยุทธ์แล้วทำไมจะต้องมี ทิฏฐิเข้ามาด้วยอ๋องั้นบอกว่าไม่มีไงเมื่อกี้บอกว่าไม่มีอ่ะคือสัญญาที่สําคัญว่าอัตตาจิตที่คิดว่าเป็นอัตตาทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นอัตตาพระโสดาบันไม่มีแล้วนั่นแหละคืออย่าว่าแต่ทิฏฐิเลยแม้แต่ความสําคัญหรือความคิดแม้แต่ความคิดเหล่านี้ก็ไม่มีสําหรับพระโสดาบันแต่ว่าพระโสดาบันก็ยัง สำคัญสังขารโดยความเป็นของสุขด้วยอํานาจทิฐิืะตะวิประยุติอยู่เคยได้ยินนะนางวิสาขาเนี่ยมีหลานรักชอบใจอยู่คนหนึ่งคือนางวิสาขานั้นมีหลานเยอะแล้วก็ในบรรดาหลานทั้งหมดมีหลานอยู่คนหนึ่งที่ช่วยงานนางวิสาขานางวิสาขานั้นก็ถือว่าเป็นคนในสังคมอะ่ะเขามีงานอาวาหมงคลงานแต่งงานงานอะไรเขาจะเชิญนางวิสาขาให้ไปเป็นแขกในงาน ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นางเนี่ยมีลูกมีหลานมากเขาอยากเป็นสิริมงคลก็จะเชิญนางวิสาขาไปงานกินเลี้ยงงานอะไรก็จะเชิญนางไปทีนี้ที่บ้านของนางวิสาขานั้นจะมีการเลี้ยงพระเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยรูปทุกวันทีนี้เอก็เลยให้หลานสาวคนนี้เนี่ยช่วยดูแลจัดแจงงานนี้ทั้งหมดนี้ไม่นานหลังจากนั้นมาหลานสาวคนนี้ก็ตายนางวิสาขาเนี่ยร้องให้มีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่นแหละผมก็เลยถามว่านางพิสาขาเธอรักลูกสาวเอยหลานสาวคนนี้ของเธอมากใช่ไหมบอกใช่พระเจ้าค่ะอยากให้คนทั้งเมืองเนี่ยเป็นเหมือนหลานของเธอคนนี้ไหมยอยากพระเจ้าค่ะเออแล้วคนในเมืองนี่ตายวันละกี่คนอ่ะบางวันก็สิบบางวันก็ยี่สิบเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอไม่มีวันที่จะน้ําตาแห้งนั่นแหละผมก็เลยตรัสว่าถ้ามีรักร้อยก็จะทุกข์ร้อยหนึ่ง ถ้ามีรัก99ก็จะทุก99ก้าเก็ลดไปเรื่อยๆผู้ใดไม่มีรักผู้นั้นก็จะไม่มีความทุกข์นั่นแหละแต่ว่าท่านก็นางวิสาขาก็ยินดีอ่ะเพราะยินดีในหลานนั่นแหละจึงทุกโศกเศร้าเสียใจความโศกย่อมเกิดจากความรักภัยคือความกลัวย่อมเกิดจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักความโศกจักมีแต่ที่ไหนความกลัวจักมีแต่ที่ไหนทันแต่พระโสดาบันก็ ยังละไม่ได้ไงจึงร้องให้อนาถาบินฑิกาเศรษฐีก็เหมือนกันมีลูกลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวก็ทํางานคล้ายๆกับนางวิสาขาอย่างนี้ตอนหลังลูกสาวก็ตายพอลูกสาวตายเนี่ยลูกสาวก็เลยบอกว่าน้องชายเรียกอนาถาบินฑิกาเศรษฐีเรียกพ่อนะว่าน้องชายนาถาบินฑกาเออลูกเพ้อไปนี่ลูกลูกอย่าเพ้อนะไม่ได้เพ้อน้องชายอืเสร็จแล้วไม่นานลางก็ลูกก็ตายไป นาธาบินิการ้องไห้เลยไปเข้าพุทธเจ้าอ่ะอุ้ยลูกคนนี้ก็ดีดีแต่ว่าตอนตายเนี่ยเพ้อไปได้เพ้อไปได้ยังไงก็ไม่รู้เพ้อว่าเรียกข้าพราะองค์ว่าน้องชายพุทธเจ้าบอกนางไม่ได้เพ้อหรอกนางเป็นพระสกะทาคามีส่วนท่านเป็นพระโสดาบันภระสกะทาคามีก็เลยเรียกว่าน้องชายนั่นแหละอนาธาบินิกาก็ยังร้องไห้อยู่ก็ยังผูกพันกับลูกบุตรสาวคนนั้นอยู่นั่นแหละ แสดงว่าลูกได้ดีกับพ่อเนี่ยได้ดีกว่าพ่ อ, อนน